ทุกวันนี้เรามีอะไรต่างๆให้รู้มากมายไอ้ที่รู้หลายอย่างก็ไม่มีประโยชน์นะเพียงแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นอาจจะมีประโยชน์บ้างนะคือไปพูดคุยกับคนอื่นได้เช่นรู้เรื่องดารานักร้องรู้เรื่องคนดังเซเล็ตใครเป็นคู่จิ้นกับใครตอนนี้คนรู้เยอะนะเพราะว่า แหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญมันก็คือโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือและข้อมูลต่างๆที่เราเรียกว่าความรู้ที่เขาถ่ายทอดกันทางโซเชียลมีเดียมันก็เป็นความรู้ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งเสพอย่างหนึง่ง โบราณมีคำพูดนะมีภา ษ, ษิตว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเนะี่ยอันนี้ก็ยังเป็นภา ษ, ษิตที่ยังใช้ได้นะนะกับคนในยุคนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่รู้มันไม่ได้เป็นอะไรที่จะประกอบเป็นวิชาได้เลยเออถ้าเรารู้วิชานี่มันก็มีประโยชน์นะ เอาไปใช้ในการำดำเนินชีวิตได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะรู้วิชานะเพราะว่ามันอาจจะูึกน่าเบือ่อและมันต้องใช้เวลาใช้เรียกว่าการลงแรงนะกว่าจะได้เข้าใจวิชาใดวิชาหนึ่ง มันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกนะไม่เหมือนการรู้เรื่องดารารู้เรื่องกีฬานี่มันเจอไปด้วยความสนุกความตื่นเต้นการแต่รู้วิชาเนี่ยมันมันไม่สนุกแต่มันมีประโยชน์แต่เวลาพูดถึงวิชาเนี่ยก็ต้องต้องแยกแยะนะมันมีทั้งวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตนะ วิชาชีพเนี่ยกับวิชาการนี่มนก็ใกล้ๆกันเพราะวิชาการส่วนใหญ่ันก็เป็นไปเพื่อวิชาชีพวิชาชีพเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมันก็ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในการท ร, รมาหากินซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็สามารถจะเลี้ยงคนอื่นได้นะจากไรายได้ที่มี โดยการเอาวิชาชีพไปใช้เกิดประโยชน์คนที่ไม่มีวิชาชีพเลยเนี่ยแม้จะมีมรดกก้อนโตสุดท้ายก็ละลายหายไปเพราะว่าเอาแต่ใช้แต่ว่าไม่มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาอันนี้เราก็เคยได้ยินบ่อยๆลูกเศรษฐีร่ลำรวยแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วย นะความยากจนเพราะไม่รู้อยากทำหมากินที่ไม่รู้อยากทำหมากินเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่จะไปทำหมากินได้แต่วิชาชีพหรือวิชาการก็ไม่ดีเท่ากับวิชาชีวิตนะนะคนที่มีวิชาชีพหรือว่าเก่งในทางวิชาชีพวิชาการนี่ถึงแม้ว่าจะมีรายได้มีเงินทองมีความมั่งมีหรือว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศ แต่ถ้าไม่มีวิชาชีวิตนะก็อาจจะลงเอยด้วยการสูญเสียสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีก็ได้คือพรานหมดนะจากการที่ไปลหลงไหลอบายมุกติดเหล้าติดสุลาเพราะว่าขาดวิชาชีวิตวิชาชีวิตก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองมีเงินเท่าไหร่ก็หมดเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีวิชาชีวิตเอาไว้ใช้กากับในการ ดำเนินชีวิตหรือถึงแม้จะไม่พลายเงินหมดเพราะตกเป็นท่าของอบายมุกแต่ว่าถึงเวลาที่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเหล่านี้นมันเสื่อมสลายหายไปถ้าไม่มีชาชีวิตก็จะมีความทุกข์มากมีความทุกข์เพราะผิดหวังกับความสูญเสียจริงๆไม่ต้องร้อยสูญเสียนะเพียงแม่ในยามที่ เริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งถ้าไม่มีวิชาชีวิตเนี่ยมันก็ไอซั์ที่มีเกียรติยศอำนาจที่มีมันก็กลายเป็นเป็นนายเหนือจิตใจของเราได้อุตสาหามาแทนที่มันจะรับใช้เรานะมันกลับมาเป็นนายเราเพราะไปเห็นว่ามันคือสรณะไปยึดมันถือมันว่าเนี่ยอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ชีวิตเรา ประสบความสุขได้ถือเป็นสารณะพอถือเป็นสารณะก็ทักทอปล่อยให้มันเป็นนายเราแต่ถ้าเป็นวิชาชีวิตเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่สามารถเป็นสารา น, านระเสริฐได้เมื่อรู้เช่นนี้ก็จะไม่ไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ไม่ปล่อยให้มันเป็นานายเรา ไม่ไปยึดมันถือมามันเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราเพราะทันทีที่เราคิดว่ามันเป็นของเราเรากลายเป็นของมันทันทีเลยอะไรทุกอย่างนะที่เราไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยยิ่งยึดมันถือมามาเท่าไรว่าเป็นของเราเราเป็นของมันทันทียอมตายเพื่อมันได้ยอมตายเพื่อทรัพย์ยอมตายเพื่ออำนาจยอมตายเพื่อชื่อเสียงหรือยอมทำชั่วบางทียอมฆ่าพี่ฆ่าน้องยอมฆ่า พ่อแม่ก็ก็เพื่อเงินเพื่อมรดกก็กลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็นบ่าวรับใช้เราแล้วกับเป็นบ่าวรับใช้มันแทนยอมทําชั่วเพื่อมันหรือแม้ยอมตายเพื่อมันได้นี่ถ้ามีมีวิชาชีวิตยังกระตกเป็นท่ายของสิ่งเหล่านี้ได้ไง่ายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่า รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเนี่ยนะก็จะไปคิดถึงแต่วิชาชีพวิชาการแต่ให้นึกไปถึงวิชาชีวิตด้วยวิชาชีพวิชาการนี่มันทำให้เราได้นโนนได้นี่แต่วิชาชีพมันทำให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ไปยึดสิ่งนั้นเอาไว้ให้เป็นทุกข์นี่ถ้าเราเข้าใจวิชาชีวิตนะ มีวิชาช่วยอยู่กับตัวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้มันมีสํานวนที่ต่อเนื่องจากประโยคที่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเนี่ยก็คือรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจริงๆประโยคนนี้มันก็ไม่ถึงกับถูกต้องทีเดียวนักนะ การรักษาตัวรอดเนี่ยมันเป็นของดีก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นเป็นยอดดีนะมันยังมีที่ดีกว่านั้นอีกนะคนเราถ้าคิดแต่ว่ารักษาตัวให้รอดอันนี้มันไม่พอนะเพราะว่าการรักษาตัวให้รอดเนี่ยอาจจะนามาซึ่งความเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นนะขอให้ฉันอยู่รอด เอาตัวรอดกพ็พอและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดนะไอ้ที่พูดพูดกันว่าเพื่อความอยู่รอดเนี่ย ท, ที่จริงก็คือเพื่อสถานภาพเพื่อความมั่งมีเพื่อความยิ่งใหญ่มากกว่าถ้าเพื่อความอยู่รอดนี่มันมันไม่ไม่ต้องทำชั่วก็ได้แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยอมทำชั่วตบัดสัตว์นะก็เพื่อความยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่งแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเพื่อความอยู่รอดนะจำใจทำเพื่อความอยู่รอดมันไม่ใช่จริงแล้วในการรักษาตัวให้รอดเนี่ยนะมันก็ไม่ดีเท่าการรักษาความดีนะรักษาตัวให้รอดเนี่ยมันสู้การรักษาความดีหรือรักษาธรรมะไม่ได้ถ้าเป็นชาวพุทเนี่ยเราก็จะเชื่อในะ่า ก, การรักษาธรรมเนี่ยมัน เป็นยอดดีต่างหาไม่ใช่รักษาตัวให้รอดแต่รักษาธรรมนี่ต่างหาที่เป็นยอดดียังมีพุทธภาษิตว่าเนี่ยพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมหากจาเป็นก็ต้องยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม ในการรักษาธรรมเนี่ยนะจึงจึงเรียกว่าเป็นยอดดีนะในมุมมองพุทธศาสนาแต่สำหรับชาวโลกเขาก็มองว่าเนี่ยรักษาตัวให้รอดเนี่ยมันยอดดีแล้วถึงแม้ว่าจะตำบัดสัตว์หรือว่าจะไม่ไม่เป็นไปตามธรรมก็ตามผิดศีลผิดธรรมก็ตามแต่ชาวพูดเราเนี่ยถือว่ารักษาธรรมเนี่ยเป็นเป็นยอดเลยแล้ที่จริงถ้ารักษาธรรมนะเราก็เชื่อว่า ทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติ ธ, ธรรมทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมถ้าไม่มีธรรมะแล้วนี่ความรู้เท่าไหร่มันก็ช่วยไม่ได้คําว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้แปลวว่ามีธรรมะแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะไม่เจอกับความสูญเสียนะ อย่างหลวงปู่ดยเขาบอกว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้ช่วยทําให้ไม่แก่ไม่ตายไม่หิวไฟไม่ไห ม, ไ ม, ไม้ไม่ใช่ที่นี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคือถ้าเราถ้าธรรมะที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่การทําความดีแต่มาถึงการมีสติมีความระมัดระวังคนเราถ้าเรามีสติมีความระมัดระวังเนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ยากนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่า ปูพเพธิเหตุไฟไหม้บ้านแต่บางครั้งเนี่ยแม้จะทำความดีรักษาศีลมีสติระมัดระวังมันก็หนีปัญหาพวกนี้ไม่พ้นนะอย่างในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเดือนที่ผ่านมานี่ไฟไหม้เผาผลาญเรียกว่ากินพื้นที่มหาศาลมากแม้กระทั่งคนที่ รักษาตัวให้ดีมีสติไม่ไม่ประมานนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาบ้านให้ปลอดภัยจากอักขีภัยได้นะแล้วก็เหมือนกับเมื่อ10บปีก่อนเนะี่ยแม้ว่าจะรักษาดูแลบ้านยังไงบางทีก็เจอน้ำท่วมก็ไม่ได้แปลว่าธรรมะมนไม่ได้รักษานะธรรมะไม่ได้ช่วยนะจริงไม่ใช่เลยธรรมะนี่มันช่วยนะ ช่วยรักษาใจอาจจะไม่สามารถรักษาบ้านไม่สามารถรักษาทรัพย์สินได้เดือเพราะถ้าเกิดภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดวิกฤตเศ ร, รษฐกิจข้างเงินตกนอันนี้ธรรมะมันช่วยไม่ได้นะอยู่ดีๆก็ทรัพย์สินก็สูญหายหรือบางทีก็กลายเป็นหนี้แต่ว่าธรรมะเนี่ยก็ยังช่วย คุ้มครองเราได้เนี่ยก็คือรักษาใจอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะมนา จ, จะคุ้มครองรักษาทรัพย์ไม่ได้หรือที่หลงปู่ดูลย์เนี่ยมันช่วยทำให้ไม่หิวทําให้หายหิวทําให้ไฟไม่ไหม้ไม่ได้แต่มันรักษาใจได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์รักษาใจไม่ให้เป็นบ้านะวิกลจลิตได้ ในทางตรงข้ามนะถึงแม้ว่ามีความรู้มากมายนะโดวยว่าความรู้ทางวิชาชีพวิชาการแต่ไม่มีธรรมะก็ออกตัวไม่รอดนะคนที่มีความรู้ยอดจบด็อกเตอร์มีปริญญาหลายใบแต่ว่าเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือว่าซึมเศร้าเมื่อเกิดวิกฤตเกิดความผันผวนไปในชีวิต สูญเสียคนรักคนรักทิ้งไปไปมีใหม่หรือว่าธุรกิจล้มละลายเป็นบ้าก็มีค่าตัวตายก็เยอะอันนี้ก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเพราะรู้แต่วิชาชีวิตรู้แต่วิชาชีพวิชาการแต่ไม่ได้มีวิชาชีวิต หรือไม่มีธรรมะธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีสีมีธรรมอย่างเดียวนะเพราะธรรมะมันไม่ได้หมายถึงความดีอย่างเดียวหมายถึงความเข้าใจความจริงด้วยธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความดีที่ต้องทําอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความจริงที่ต้องเข้าใจด้ยวยเรียกว่าสัจธรรมคนมีธรรมะในความหมายกว้างคือเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตรวมทั้ง มีธรรมะในการรักษาใจเช่นมีสติมีความรู้สึกตัวคนเราเกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยถ้าแม้จะมีความรู้เยอะแต่ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวมันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะอั่นที่โบราณเขาว่าเนี่ยความรู้ท่วงหัวตัวไม่รอดเนี่ยมันจริงเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ก็ต้องรู้ว่าเป็นความรู้แบบไหน เคยเห็นภาพนะรถบรรทุกเนี่ยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุยางแตกคนขับเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยนั่งอยู่หลังรถแล้วที่มันน่าสนใจคือรถคันนี้เนี่ยมันบรรทุกยางเต็มรถเลยบรรทุกยางเต็มหลังรถเลยแต่พอยางแตกนี่ ไอยางที่มีในรถนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยจนคนขับรถนี่ก็ทำหน้ารอห้อยรอคนอื่นมาช่วยนี่มันก็น่าคิดนะยางแตกแต่ว่ายางทั้งหมดที่มีเป็นร้อยร้อยเส้นเนี่ยหลังรถเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยมันช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่มีแม่แรงมั้งคงไม่มีแม่แรงยกถ้ามีแม่แรงยกก็จะเอาอยางเส้นใหม่ ที่มันทุกมาเนี่ยมาเปลี่ยนแทนยางเก่าที่มันรั่วหรือที่มันเสียได้แต่พอไม่มีไม่มีแม่แม่แรงยกรถนี่ก็เลยไอยางทั้งหมดที่มีมันก็เลยไร้ประโยชน์อันนี้คงคลา้คลายคนที่มีความรู้เยอะนะแต่พอเจอปัญหาชีวิตแล้วนี่ก็เหมือนกับคนที่เราสิ้นเนื้อประดาตัวหมดสภาพ ความรู้ทั้งหลายที่มีเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรนะเพราะขาดสติคนขับรถคันนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ยางทั้งหมดที่มีได้ที่จริงต้องการแค่เส้นเดียวนะเพราะยางมันแตกเส้นเดียวแต่พอไม่มีแม่แรงยกรถนี่มันก็เปลี่ยนเอายางใหม่มาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฉะนั้นคนที่มีความรู้นะแต่พอเจอวิกฤตในชีวิต เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวคนรักเกี่ยวงานการเกี่ยวทรัพย์สินพราก็ว่าหมดสภาพไปเลยความรู้ทั้งหมดที่มีเอามาใช้ไม่ได้เพรา ะ, ะเราขาดสติคนเรามีความรู้แค่ไหนถ้าขาดสตินะพอเกิดวิกฤตมันก็แย่นะอย่างเช่นเรารู้คนที่ขับแล้วก็รู้นะ่ามาถ้าอย่างแตกเนี่ยขณที่รถกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยอย่าเหยียบเบรค แต่พอขับรถอยู่ด้วยความเร็วสูงอย่างแตกขึ้นมาตกใจด้วยความขาดสติก็เลยเหยียบเบรกทันทีเขาถามว่าไม่รู้เหรอว่าเหยียบเบรกแล้วมันรถอาจจะพลิกควา่ารู้แต่ตอนนั้นมันนึกไม่ออกนะเพราะว่าขาดสติหรือคนเราเนี่ยเวลาเวลาโกรธเนี่ย ตงนที่รู้นะครูบาาจารย์สอนว่าอย่างไงเวลาโกรธให้กลับมาอยู่กับลมหายใจให้กลับมาอยู่กับพุทธโธหรือว่าให้เงียบเงียบเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรท่องคาถาไ้เลยนะโกรธคืองโง่โมโหคือบ้ารู้แต่พอเวลาโกรธทีไรมันอดไม่ได้ที่จะหลุดปากดา่าหลุดไม่ได้ที่จะไปทำร้ายเข้าของหรือว่าลงมือทาร้ายคนที่ตัวเองโกรธ ทำนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้มีความรู้อยู่แต่ตอนนั้นมันขาดสติพ อ, อขาดสติก็เลยไม่สามารถจะเอาความรู้ที่มีมาใช้ในการเตือนใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทว่าความรู้ท่องหัวตัวไม่รอดเนี่ยมันก็จริงนะเพราะว่าขาดขาดความรู้เชนิดหนึ่งนะ ซึ่งถ้าเรียกรวมรวคือความรู้ธรรมรู้สัจธรรมความจรงิงและที่สํคาคัญอย่างนึงคือรู้นะคือรู้ตัวรู้ตัวไอรู้ตัวนี่ก็ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่คนมักจะมองข้าม้รู้ความจริงก็เป็นธรรมะอีกเหมือนกันถ้าไม่รู้ตัวก็หลงถ้าไม่รู้ความจริงก็หลงอีกเหมือนกัน แต่ก่อนที่จะรู้ความจริงก็ต้องรู้ตัวซะก่อนรู้ตัวคืออะไรก็ก็คือรู้ใจนาะง่ายๆคือรู้ใจรู้ใจเนี่ยมันเป็นการรู้แบบซื่อๆตรงๆเลยนะก็คือรู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าตอนนี้กำลังมีอารมณ์ใด นะโดดเด่นอยู่ในใจเวลาโกรธเนี่ยเธอรู้ว่าโกรธเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวหรือว่ารู้ใจนะเวลามโมโหก็รูเ้เวลาดีใจก็รู้เวลาฟุ้งก็รู้อันนี้แหละรู้ใจที่สำคัญมากเลยเพราะเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ทําให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่สามารถจะมาครองใจเราได้นาน ไอ้ความรู้ที่มีเนี่ยเอามาช่วยจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้นะแม้จะเป็นโกรธไม้จะเป็นเศร้าไม่่วาจะเป็นเกลียดอิจฉาเศร้าโศกแต่ ท, ทันทีที่รู้ตัวหรือว่ารู้อารมณ์พวกนี้นี่มันช่วยปลดเปื่องอารมณ์เหล่านี้ออกไปจากใจหรือช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงําได้ พราะถ้าเราหลงยึครอมงำแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวลืมตัวเลยคนเราเพอลืมตัวแล้วมันก็สามารถจะทําร้ายตัวเองได้เอาหัวขกพื้นเอามือกระแทกหน้าอกเอารองทักแต่ฟาดหัวหรือว่ากระโดดลงมาจากตึกเนี่ยทําได้ทั้งนั้นแหละถ้าลืมตัวแต่พอ ร, รู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะมันได้คิด สามารถที่จะเอาตัวรอดจากวิกฤตต่างๆได้แล้วคนเราถ้าเราสังเกตใจของเราเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้ต่อไปนะว่าอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ความดีใจมันก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว ความสงบก็อยู่กับเราไม่นานถึงเวลาทุกข์ถึงเวลาเศร้าถึงเวลากโรกรธก็มันก็อยู่กับเราไม่นานเหมือนกันจะไปเป็นบ้าเป็นหลังเอาเป็นอดตายกับมันเวลาท้อแท้ก็จะไปตี อ, อกชกหัวเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็จะผ่านไปเราจะมีข้อคิดเตือนใจแบบนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ใครมาบอก แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการที่สังเกตใจของตับ่อยๆมันทำให้เรารู้ทันอารมณ์ต่างๆแล้วก็รู้ธรรมชาติของมันนะรวมทั้งเวลาดีใจก็รู้ว่าโอ้ให้ดีใจนี่ก็เป็นทุกข์นะเพราะมันทำให้ลืมตัวได้นะนะคนบางคน นะดีใจนะได้ลูกชายโอ้โหลูกชายคนแรกเนี่ยขับรถ ด, ด้วยความดีใจนะจะซื้ออะไรให้ลูกนะจะให้ลูกเรียนต่อให้ลูกเรียนอะไรเรียนที่ไหนคิดไปฟุ้งเลยขณที่กำลังขับรถปรากฏว่าประสบัติเหตุนะเพราะว่า มันไม่มี ส, มมสติขนาดขับรถหรือว่าถูกรถดีใจเพราะถูกรถต้เรืองวันที่หนึ่งดีใจเพราะแฟนตอบรับนะจะแต่งงานด้วยคบกันมานานดีใจมากเลยนะที่เขาโอเคกับเราใจลอยฟุง้งบอกว่าขับรถก็เจออุบัติเหตุเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่พราะอะไรว่าความดีใจ อันดีใจมันก็เป็นโทษเหมือนกันมันทำให้หลงหรือความสุขสมหวังก็ทำให้เกิดโทษเหมือนกันถ้าดีใจแล้วเผลอไม่รู้ตัวความทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเราไป ก, ก็จะเห็นต่อไปนะว่าเออในความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยอย่างบางคนได้เดินท่ามกลางธรรมชาติ เดินไปในสวนจิตใจก็สงบรู้สึกเย็นสบายปลอดโปรง่งพอสังเกตตรงนี้ก็จะพบว่าอจิตใจเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมนะเวลาเราเคลียร์ๆนี่ลองมองไปที่ฟ้าที่โปรง่งจิตใจก็ผ่อนคลาย เราก็เลยเลือความสุขเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะเพียงแค่ได้สัมปะกธรรมชาติหรือว่าเวลาได้ช่วยคนนะพาคนแก่ข้ามถ น, นนหรือว่ายกของให้คนแก่จิตใจเรามีความสุขเกิดความปิติคนบางคนไม่เห็นนะไม่สังเกตว่ามันมีความสุขเวลาเราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือคน แล้วคาเดการเวลาคิดในทางลบทางรายจิตมันหม่นหมองจิตมันเศร้าบางคนก็ไม่สังเกตแต่พอหันมาดูใจหันมารู้ใจบบอยๆก็จะพบเออให้ความคิดของเรานี่มันมีผลต่ออารมณ์นะมีผลต่อสุขและทุกข์นะมันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักดูแลรักษาใจไม่ให้ความทุกขงง์ครอบงําแล้วก็รู้จักรักษาใจให้เป็นสุขได้รู้จักเติมสุขให้ใจ นี่มันเป็นประโยชน์นะที่มีคุณค่ามากแล้วก็ที่จริงก็เป็นประโยชน์แค่เสี้ยวเดียวนะของการการรู้ใจเพราะถ้าเรารู้ใจลึกไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อทำให้เราเข้าใจความจริงของใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจ ะ, ะไม่ไปยึดติดถือแม่ ก, กับความคิดและอารมณ์ใดๆได้ไอ้สิ่งนั้ยนยังเป็นความรู้นที่สำคัญมาก ซึ่งมาไปช่วยเสริมนะความรู้ที่เราวิชาชีวิตเนี่ยเพราะถ้าวิชาชีวิตมาไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้เกิดจากการสังเกตดูใจเนี่ยมันจะไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้งนะว่ามีประโยชน์อย่างไรและจะมาใช้กับชีวิตได้อย่างไรแต่ถ้าเรามีความรู้ตัวแล้วก็มันรู้ใจสังเกตใจเนี่ยมันจะมีความรู้ใช้ที่ว่าดูแลตัวให้อยู่รอด ไม่ได้อยู่รอดแบบมีชื่อมีเสียงแต่อยู่รอดปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากความพันผวนปล่วนไปในชีวิตไอ้ความรู้อย่างนี้ที่สำคัญนะที่มันช่วยให้เรามีชีวิตที่ผาสุขแล้วก็ดีงามได้ถ้ามีความรู้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหานะว่า ความรู้ท่องหัวตัวไม่รอดมันจะไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เลย